หากบาดหลวงจะนำคำพุทธไปใช้ขอโปรโดให้อยู่ในระบบเทียบเคียงแต่ในฝ่ายนักสอนศาสนาคริสที่ชาวพุทธจะต้องติเตือนหรือต่อว่านั้นก็เพราะว่าศา ส, สนาคริสมาจากตะวันตกมีถ้อยคำของตัวเองอยู่แล้วถ้ามาเมืองไทยแล้วหาคำแปล ى, เพื่อใช้แบบเทียบเคียงเท่านั้นชาวพุทธไม่ควรว่าอะไร แต่ที่เป็นปัญหาจะต้องติติงก็เพราะเป็นการนำคำพูดไปใช้แบบล่อให้เข้าใจไข้เขวสับสนสอถึงเจตนาที่ไม่โปร่งใสจะเห็นง่ายๆเช่นตัวอย่างที่พูดมาแล้วว่าบาทหลวงบอกว่าเรื่องไตรลักษ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตนั้นในศาสนาคริสต์ก็สอนไว้แล้วก็ยกข้อความในไบเบิลมาอ้างโดยเอาอนิจจังทุกขังอนัตตา ปเป็นคําแปลของข้อความในนั้นซึ่งไม่ตรงกันเลยเป็นการล่อหลองให้เข้าใจว่าหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาศา ส, สนาคริสต์ก็สอนไว้แล้วจากนั้นจึงครอบว่าคริสสอนอนัตตาเสร็จแล้วยังไปไกลกว่านั้นคือเหนืออนัตตาจึงเป็นอัตตาซึ่งพุทธศาสนาไม่มีที่จริงพระพุทธศาสนาสอนว่า อัตตานั้นเป็นเรื่องต่ำต้นที่สุดที่มนุษย์ผู้มีกิเลสย่อมเชื่อและยึดถือเป็นธรรมดาต่อเมื่อมีปัญญาจึงรู้ว่าเป็นอนัตตาในเรื่องอย่างนี้ชาพุทธเมื่อเอาคำฝรั่งแบบคริสมาใช้เราจะบอกตรงๆว่าเป็นเพียงการใช้แบบเทียบเคียงเท่านั้นที่จริงไม่เหมือนกันแท้แล้วเราก็จะพยายามอธิบาย ที่มองเห็นความแตกต่างเพื่อให้เขาเข้าใจาตรงตามเป็นจริงการนำคำไปใช้โดยบริสุทธิ์หรือไม่เป็นเรื่องที่ผู้รู้มองเห็นได้ไม so ่ยากและเจตนาจะสอดแสดงออกมาจากการกระทำนั you> you? ้นเหตุผลข้อที่สองที่ว่าชาวพุทธไทย แปลเรื่องพุทธศาสนาให้ฝรั่งอ่านก็ใช้ศัพท์อังกฤษแบบคริสต์ดังนั้นชาวคริสต์มาสอนศาสนาของเขาในเมืองไทยก็ใช้ศัพท์ไทยแบบพุทธได้เช่นเดียวกันเรื่องนี้ถ้าเป็นการใช้เพื่อเทียบเคียงให้เกิดความเข้าใจทั่วไปก็ไม่มีปัญหาแต่ที่ควรตีเตียนก็เพราะมีการใช้แบบที่เป็นคนอุบายไปสียขออธิบายว่า เมื่อเราแปลคำพุทธไทยเป็นภาษาอังกฤษเราจะให้ฝรั่งเข้าใจแต่เขาไม่มีคำในศาสนาของเราเราก็ต้องเอาคำที่เขามีอยู่มาใช้คำที่เราเอามาใช้มากทีเดียวไม่ใช่คำคริสต์แต่เป็นคำในสายกรีกโบราณแต่ตรงนี้ไม่ใช่ประเด็นสำคัญข้อสำคัญเราจะพยายามระวังให้เขารู้ตระหนักว่าเป็นการใช้แบบเทียบเคียงเท่านั้นไม่เหมือนกันจริง แล้วเราจะคอยพยายามชี้แจงให้เข้าใจความแตกต่างและพยายามหาคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดไปเรื่อยๆจนกระทั่งในกรณีที่หาคำที่เหมือนกันจริงไม่ได้เมื่อฝรั่งเริ่มคุ้นกับศัพท์พุทธศาสนาขึ้นเราก็จะเลิกใช้คำฝรัง่งและใช้แบบทับศัพท์ลงไปเลยคือมุ่งหน้าไปสู่ความเข้าใจให้ตรงตามเป็นจริงยกตัวอย่างคาว่าพระภิกษุ หรือพระตอนแรกเราแปลเป็นภาษาอังกฤษมักมีผู้แปลว่า please p r i e s t ต่อมาเมื่อพิจารณาเห็นชัดว่าความหมายไม่ตรงกันจริงเราก็เปลี่ยนมาใช้มัง m o n k ซึ่งเห็นว่าตรงกว่าฝรั่งถือว่าในสับของเขา please สูงกว่ามังด้วยซ้ำแต่เราต้องการที่ความถูกต้องต่อมาเราบอกว่า ถึงอย่างไรความหมายก็ไม่เหมือนกันจริงเวลานี้เราก็ใช้ทับศัพท์กันมากขึ้นมากขึ้นภิกษุก็เขียนบิคคุ B.H.I.K.K.H.U. นี่คือการที่ชาวพุทธใช้คำของเขาก็ใช้อย่างตรงไปตรงมาพยายามให้เขารู้ถึงความแตกต่างตามที่เป็นจริงที่เราติดเตียงนักสอนศาสนาคริส ก็เพราะเขาไม่ปฏิบัติตามธรรมดาอย่างนี้แต่เขาทำแบบที่เรียกว่ากลมกลืนและครอบอย่างที่ว่ามาแล้วทั้งที่ศาสนาคริสต์เข้ามาเมืองไทยนานมาแล้วถ้อยคำเฉพาะของคริสต์คนก็รู้กันมากแล้วเพียงพอที่จะใช้คำเดิมที่แท้ของเขาเองมาสื่อกันได้ซึ่งจะตรงและชัดเจนแต่นักสอนศาสนาคริสต์ กลับจะยิ่งใช้ถ้อยคำในลักษณะที่ทำให้เข้าใจสับสนปนเปและเคลือบคลุมยิ่งขึ้นเป็นการสวนทางตรงกันข้ามเช่นคำว่าผะป่ากะถินที่มองไม่เห็นเหตุผลเลยว่าเขาจะต้องเอาไปใช้แปลคำอะไรในภาษาอังกฤษทางคริสต์ก็ยังนำไปใช้ความหมายอะไรก็ไปกันไม่ได้ไม่ว่าในแง่หลักศาสนาหรือภูมิหลังทางวัฒนธรรมใด มีแต่ทำให้สับสนจึงเป็นเรื่องที่ควรตีติโดยชอบธรรม